วิญญาณเฮียนผีหัวขาดสัมผัสเสีย่ยงเมื่อสมัยที่มุกยังอาศัยอยู่ที่บ้านของคุณตาในจังหวัดเลยตอนนั้นมุกยังเล็กอยู่มาอายุได้ประมาณสามขวบ เธอสายอยู่บ้านหลังนั้นกับตายายพี่สาวของแม่และแม่รวมทั้งหมด 5. ชีวิตนอกจากนี้ยังมีน้องสาวของแม่อีกคนที่ไปทำงานอยู่เชียงรายนานๆจะได้กลับมาพักที่บ้านสักครั้งบ้านของตาเป็นบ้านสองชั้นอยู่ติดกับถนนสายหลักและใกล้กับทางเชื่อมระหว่างอำเภอเลยจากบ้านของตาไปหน่อยจะเป็นทางโค้งยาวๆ มีราวเหล็กกั้นทางโคงไว้ตลอดแนวเวลามีรถผ่านไปมาคนในบ้านก็มักจะได้ยินเสียงรถอย่างชัดเจนกลางดึกของคืนหนึ่งขณะที่มุกกาลังหลับสบายท่ามกลางเสียงฝนที่ตกลงมาปล่อยๆตายายและแม่ก็นั่งทางานกันอยู่ที่หน้าบ้านตามปกติสักพักแม่ก็ได้ยินเสียงรถ เป็นเสียงของรถจักรยานยนต์ดังมาแต่ไกลซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นรถคันใหญ่อยู่เหมือนกันแม่ยังนึกในใจอยู่ว่าขับรถเร็วในช่วงฝนตกอย่างนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายไม่ทันไรแม่ก็ได้ยินเสียงโครมพร้อมกับเสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังสนั่นตรงทางโคง้งจากนั้นก็มีเสียงรถถลายครูดกับถนน แล้วหยุดนิง่งรงเกือบจะถึงหน้าบ้านของตาทุกอย่างเงียบลงเหลือเพียงแต่เสียงเครื่องรถจักรยานยนต์ที่ติดค้างไว้ตาวางของในมือลงแล้วบอกยายกับแม่ว่าตาจะลองเดินไปดูสักหน่อยสักพักตาก็เดินกลับมาหน้าตาซีดเผือดไม่พูดจากับใครแล้วแก่ก็รีบเดินขึ้นบ้านไป หอยายกับแม่ตามขึ้นไปก็เห็นตากําลังนอนคลุมโปงตัวสัน่นเหมือนกับเพิ่งเจอเหตุการณ์อันน่าหวาดกลัวสยดสยองสุดขีดพอแม่เห็นอาการของตาแล้วก็แปลกใจเพราะทุกครั้งที่ตาออไปดูเหตุการณ์เวลามีอุบัติเหตุก็ไม่เคยมีอาการหวาดกลัวอย่างที่เป็นในครั้งนี้แม่จึงตัดสินใจออกไปดูที่หน้าบ้านด้วยตัวเอง พอแม่เดินออกไปจากประตูรั้วหน้าบ้านก็เห็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังยืนส่องไฟฉายไปที่ถนนแม่ได้กลิ่นคาวเลือดโชยมาแต่ไกลไฟถนนส่องสว่างเพียงเล็กน้อยห้ามกลางสายฝนปลปรยล่อยแม่เดินไปตามถนนเรื่อยๆจนเดินมาถึงกลุ่มชาวบ้านที่กำลังมุงดูรถบิ๊กไบย์คันใหญ่ล้มทับขา ข, าของชายคนหนึ่งที่กำลังหมดสติอยู่ ที่ต้นขาด้านซ้ายเขามีแผลชกันเวิร์บว่าจนเห็นกระดูกเลือดสีแดงไหลนองเต็มพื้นถนนชาวบ้านกำลังพยายามหาทางช่วยชายคนนั้นและแม่ก็ได้ยินเสียงคนคุยกันว่าสักพักรถพยาบาลก็จะมาถึงแล้วถัดจากจุดที่รถล้มไปก็มองเห็นร่างผู้หญิงนอนควม่มอยู่ตรงสุดทางโค้ง รูปร่างของผู้หญิงคนนั้นคล้ายกับน้องสาวของแม่มากด้วยความเป็นห่วงน้องสาวแม่จึงเดินตรงเข้าไปดูเพื่อความแน่ใจความรีบร้อนทาให้แม่เดินไปหยีบเลือดที่นองบนพื้นถนนโดยไม่รู้ตัวเลือดเหนียวเนินนะ่ะติดเท้าของแม่ทั้งสองข้างแต่แม่ก็ยังเดินตรงไปที่ร่างนั้นต่อพอเดินเข้าไปไกลร่างของผู้หญิงประมาณสเมตร แม่ก็สะดุงแทบจะหยุดหายใจไปชั่วขณะร่างของผู้หญิงผิวขาวตัวเล็กบอบบางนอนคว่ำอยู่ตัวและศะีรษะแยกออกจากกันอยู่คนละที่ตอนนั้นแม่กลัวมากแต่ก็ยังเป็นห่วงน้องสาวจึงเดิอนน้อมไปดูใบหน้าของศีรษะนั้นรอยขาดที่ลำคอห่างจากปลายคางไปเพียงน้อยนิดแม่เห็นรอยเลือด ตรงขอบที่กั้นทางโค้งเป็นแนวยาวคิดว่าคอของผู้หญิงคนนี้คงใบครูดกับที่กั้นทางโค้งจนร่างกับศีรษะขาดออกจากกันพอแม่ได้เห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นก็โล่งใจที่ไม่ใช่น้องสาวของตัวเองตอนนั้นฝนหยุดตกแล้วทำให้แม่เห็นใบหน้าได้ชัดเจนขึ้นผู้หญิงคนนั้นเหมือนกาลังหลับอยู่ เธอเป็นหญิงสาวผิวขาวเหมือนคนจีนมองแล้วจัดว่าเป็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งเลยทีเดียวแม่นึกเสียดายที่เธอต้องมาตายตั้งแต่อายุยังน้อยสภาพศพคอขาดสยดสยองมากไม่แปลกเลยที่ตาจะกลัวขนาดนั้นขณะที่แม่กำลังมองดูใบหน้าของศพนั้นแม่ก็เห็นว่าศารีรษะที่อยู่บนพื้น ลืมตาขึ้นมามองและเหมือนจะยิ้มที่มุมปากแม่ตกใจร้องกรีดรันพร้อมกับเระมือปิดหน้าจนชาวบ้านวิ่งตามมาดูประจวบกับที่รถพยาบาลมาถึงที่เกิดเหตุพอดีแม่จึงเงยหน้ามองรถพยาบาลพอก้มไปมองหน้าผู้หญิงคนนั้นก็เห็นศีรษะนั้นหลับตาคล้ายคนนอนหลับปกติแม่กลัวมาก รีบกึ่งเดินกึ่งวิ่งกลับไปบ้านระหว่างทางจะต้องเดินผ่านจุดที่มีผู้ชายถูกรถบิ๊กไบทับขาอยู่แม่เห็นเจหนาทีพยายามช่วยชีวิตผู้ชายคนนั้นอย่างเต็มที่แต่ดูเหมือนกับว่าจะสายไปเสียแล้วเพราะผู้ชายคนนั้นแน่นิ่งไปไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นใดๆแต่แม่ก็ไม่ได้อยู่ดูเหตุการณ์ต่อ เพราะภาพรอยยิ้มของศีสะที่ขาดออกจากร่างนั้นยังติดตาของแม่อยู่แม่จึงรีบเดินไปถึงบ้านให้เร็วที่สุดวันรุ่งขึ้นคุณตาก็รู้สึกดีขึ้นมากหลังจากที่ได้สวดมนต์จนอาการกลัวหายไปแล้วตาเล่าให้แม่กับยายฟังว่าตอนที่เห็นร่างผู้หญิงคนนั้นบนถนนตาตกใจมากกลัวว่าจะเป็นร่างของลูกสาวคนเล็ก แกจึงรีบเดินไปดูหน้าของศพไกลๆแล้วตาก็เห็นรอยยิ้มจากใบหน้าของศพหัวขาดเหมือนกับที่แม่เห็นแกกลัวมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจึงรีบกลับเข้าไปในบ้านและยังไม่พร้อมจะเล่าให้ใครฟังขณะที่เล่าอยู่นี้ภาพนั้นก็ยังติดตาทำให้แกคนลุกอยู่เลยสักพัก พี่สาวของแม่ที่กลับไปจากซื้อของในตลาดก็มาเล่าให้แม่ฟังว่าที่ตลาดชาวบ้านคุยกันถึงเหตุการณ์เมื่อคืนว่าชายหนุ่มคนที่ขี่รถบิ๊กไบค์เป็นคนในหมู่บ้านคงราเองเขาพึ่งกลับมาจากที่บ้านและพาแฟนสาวซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นมาด้วยเมื่อคืนทั้งสองคงไปสังสรรค์ ก, กันกับเพื่อนๆ้ากลับอาจจะขี่รถเร็วและมีฝนตก ทำให้รถแหกโคง้งจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอย่างที่แม่เห็นเมื่อคืนผู้ชายคนนั้นเสียชีวิตตอนที่รถพยาบาลมาถึงส่วนผู้หญิงเสียชีวิตตรงที่เกิดเหตุตอนนี้ญาติญาติดำร่างทั้งสองคนไปทำพิธีที่วัดแล้วแต่ไม่สามารถติดต่อยาดของฝ่ายหญิงได้เพราะเป็นคนญี่ปุ่นและไม่มีใครรู้จักเลย แม่ได้ฟังก็เป็นห่วงครอบครัวของฝ่ายหญิงที่ป้านนี้คงเป็นห่วงลูกสาวของตัวเองอยู่แน่ๆจากนั้นแม่ก็ไปช่วยตากับยายทำงานต่อพอถึงช่วงบ่ายชาวบ้านก็ออกมามุงดูการทำพิธีเชิญวิญญาณตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งทำพิธีเชิญวิญญาณกลับได้แค่วิญญาณของฝ่ายชายเท่านั้นส่วนฝ่ายหญิง ไม่มีใครรู้ชื่อจึงทำวิธีเชิญวิญญาณกลับไม่ได้ชาวบ้านแถวนั้นรวมทั้งคนในบ้านของเราก็เริ่มกังวลเพราะกลัวว่าวิญญาณผีหัวขาดตายโหงจะยังวนเวียนไม่ไปไหนแล้วมันก็เป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆ คืนนั้นพวกเราได้ยินเสียงหมาหอนต่อกันเป็นทอดๆตาจึงให้ทุกคนในบ้านรีบเข้านอนขณะที่แม่นอนอยู่ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นดังมาจากถนนเสียงร้องไห้นั้นดังพอที่จะทําให้คนในบ้านตื่นทุกคนกลัวมากจึงไปรวมตัวกันที่ห้องของตากับยายสักพักก็มีเสียงปืนดัง เสียงนั้นมันดังมาจากบ้านที่อยู่ไกลๆเป็นจำนวนสองนัดแล้วเสียงร้องไห้นั้นก็เงียบไปแต่ไม่นานเสียงร้องนั้นก็ดังขึ้นมาอีกแม่คิดว่าไม่น่าจะใช่เสียงคนที่ร้องไห้เพราะเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือจึงไม่มีใครออกไปดูเสียงร้องไห้นั้นดังอยู่ร่วมชั่วโมงจนในที่สุดก็เงียบไป ตาจึงบอกให้ทุกคนแยกย้ายกันไปนอนเพราะรุ่งเชา้าชาวบ้านในละแวกนั้นก็พูดถึงเสียงผู้หญิงร้องไห้เมื่อคืนแม้จะมีคนไปนิมนต์พระมาทาพิธีแต่พอตกกลางคืนก็จะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่เหมือนเดิมเป็นอย่างนี้คืนแล้วคืนเล่าสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านนานวันเข้าจากความหวาดกลัวก็กลายเป็นราคาญ เพราะชาวบ้านแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่ละคืนก็จะได้ยินเสียงร้องไห้และเสียงกระป๋องใส่ก้อนหินกระทบกับพื้นถนนเป็นระยะระยะเพราะชาวบ้านวางลงตรงจุดที่ผู้หญิงคนนั้นตายความเฮี้ยนของวิญญาณก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆครั้งหนึ่งเคยมีลุงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนจากต่างอำเภอแกขับรถผ่านแถวนั้นตอนกลางคืน แล้วก็เห็นผู้หญิงยืนโบกรถที่อยู่ทางโค้งนั้นด้วยที่เห็นว่าผู้หญิงเป็นคนหน้าตาดีลุงจึงหยุดรถแล้วถามเพื่อจะพาไปส่งแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่พูดอะไรแกจึงบอกว่าถ้าแกผ่านป้อมตำรวจแกจะบอกให้ตำรวจมารับก็แล้วกันพอลุงคนนั้นออกรถไปแล้วมองผ่านกระจกหลังก็เห็นร่างของผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ ท่ามกลางความมืดสลัวแต่เธอไม่มีหัวลุงแกตกใจรีบหันหลังไปดูก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเธอได้หายไปแล้วแกคนลุกชูชันไปทั้งตัวรีบเหยียบคันเร่งออกรถไปอย่างเร็วพอขับไปถึงป้อมตํารวจแกจึงรีบลงรถไปเล่าให้ตํารวจฟังแล้วก็ขอร้องให้ตํารวจขับรถตามไปส่งรถของแก จนพ้นเขตอำเภอเพราะแก่ไม่กล้าขับรถกลับคนเดียวหลังจากการตายของผู้หญิงคนนั้นก็มีคนพบเจอเธอบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุอยู่เรื่อยๆและมีเหตุรถชนจนมีคนบาดเจ็บและล้มตายอยู่บ่อยๆแต่ญาติของผู้ตายคนอื่นก็มาทำพิธีเชิญวิญ ญ, ญาณไปได้หมดยกเว้นก็แต่วิญ ญ, ญาณสาวญี่ปุ่นตนนี้ ยังคงวนเวียนหลอกหลอนผู้สัญจรไปมาตลอดสองปีจนวันหนึ่งมีสินแสชาวจีนที่พึ่งกลับมาจากพิธีล้างสุสานขบวนรถหลายสิบคันเคลื่อนมาถึงทางโฮงนั้นสินแสจึงสั่งให้จอดรถแล้วลงมาสำรวจตรงจุดที่ผู้หญิงคนนั้นตายสินแสบอกว่ามีวิญญาณที่ต้องการความช่วยเหลือ รออยู่ตรงนี้มานานแล้วจึงเริ่มทำพิธีเชิญวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นไปด้วยชาวบ้านก็ออกมามุงดูการทำพิธีกันเต็มถนนพอเสร็จพิธีสินแสก็บอกว่าวิญญาณที่ช่วยไว้นี้จะนำไปทำพิธีตามหลักของชาวจีนในการส่งวิญญาณร่วมกับศพญา ย, ยาที่ได้ไปทำพิธีล้างป่าช้ามา ชาวบ้านและทุกๆคนจึงสบายใจที่วิญญาณตนนี้จะได้ไปสู่สุคติเสียทีหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบหรือได้ยินเสียงร้องไห้ของวิญญาณผู้หญิงผีหัวขาดบนถนนเส้นนั้นอีกเลย y o